و ل َ قد آتينا إبراهيم رشده من قبل. وكن به عالمي. ق ق ا ل لأبيه وقومه ما هذه؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكفون؟ قالوا وجدنا آبانا لعبادن قال لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ و ََ ك ُ م ْ قال لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ و َ ب َ ؤ ك ُ م ْ مبين قالوا أ ي ت ن ا بالحق أم أنت من اللعبيين؟ قالوا أ ت ت ن ا بالحق أم أنت من اللعبيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ب ك أصبحنا وبك أ م س ي ن, وب ن ا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أ ع و ذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا ي ض ر مع اسمه ش ระองค์ทรงส ل ا في السماء و ه و ร ل น م มข ع ا ل ระเจ้าผู้ ل ل ่ทรง ا و بالإسلام د ي ن จะในโลกห ل ือส ل รร ل ์และพระองค์ท م งทรงพ วสุอิลค <others> ิบริรับบ์อาอูบุบิค์มิ่งอาดับิมฟินนาร์ว่าดับิมฟ ا ل س ل ا عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมนมาสุบะที่รักทั้งหลายครับก่อนอื่นเราต้องชุกรขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานาหูวะตาลาที่อัลลอฮ์ให้เรามีชีวิตอยู่มาถึงวันนี้ขอบคุณนะที่เราได้มีชีวิตอยู่เนี่ยเพราะ เราไม่ได้อยู่เองเราไม่สามารถกําหนดชีวิตของเราได้ด้วยตัวของเราเองเรามีหน้าที่ประคองตัวเราเนี่ยเรามีหน้าที่ประคองนะครับตัวเราเองนั้นให้เดินตามอายะคุรอ่านนะครับที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเดินตามคุรอ่านพี่น้องแต่ละอายะแต่ละอายะแต่ละอายะที่เราหาความรู้จากอัลกุรอาน สามอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยหยุดหยุดไม่ได้สอนแล้วก็ผมก็ป่วยเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ป่วยครับไปอยู่โรงพยาบาลเช็คครั้งสุดท้ายหมอว่าเป็นลำไส้อักเสบลำไส้ใหญ่เนี่ยบางแล้วก็แตก เมื่อวานนี้ไปเช็คครั้งสุดท้ายก็าบอกคุณต้องประคองตัวไว้อย่างน้อยสามเดือนอย่าทานของของแข็งๆพยายามทานของนิ่มๆคำวดียวเลยเป็น้องครับการเจ็บไข้เดรป่วยนี่เป็นการทดสอบจากอวโลกถามว่าเราอยากป่วยไหมไม่มีใครอยากป่วยสักคนหนึ่งหลีกเลี่ยงได้ไหมหลีกเลี่ยงไม่ได้ตนรังว่าความเจ็บการเจ็บไข้เดป่วยนั่นนะนะครับ เป็นพระ ก, กำหนดของอัลลอ์สุบฮานาอูวาตาลาในช่วงที่ผมนอนป่วยอยู่เนี่ยผมได้มีโอกาสได้อ่านหนังสือเยอะครับอ่านพบว่าการเจ็บไข้ใ้ป่วยเนี่ยในคัมภีร์กรุรอานพูดถึงพูดรวมๆ ว, ว่าเรื่องมุซีบะเรื่องความรุนแรง เรื่องการเจ็บไข้ใดป่วยเรื่องความลำบากในรวมทั้งหมดนี่นะรวมทั้งหมดนะสองกับหนึ่งครั้งอยู่ในคัมภีร์กุณอ่านนะพูดถึงเรื่องความลำบากลำบากลำบากเรื่องที่มนุษย์ไม่อยากพบไม่อยากเห็นไม่อยากได้เนี่ยสองหนึ่งครั้งเมื่อมีความลำบากมีการทดสอบจากอัลลอฮ์มีเรื่องไม่ดีไม่ดีแล้วทำยังไงกุณอ่านสอนเลยนะครับให้อดทน แล้วพูดถึงเรื่องการอดทนเนี่ยอีกกี่ครั้งรู้ไหมสองร้อยกับหนึ่งครั้งเหมือนกันพูดถึงความลําบากกี่ครั้งนะสองยหนึ่งครั้งเมื่อมีความลําบากเราต้องนึ ก, กว่าความลําบากนี้มันจะเกิดเองนะเอาเรากําหนดเมื่อมีความลําบากเกิดขึ้นไม่เกิดกับตัวเราเกิดกับคนอื่นหรือเกิดกับทรัพย์สินหรือเกิดกับพ่อเรามา่เราให้ทํายังไงครับให้อดทน พูดื้องอดทนกี่ครั้งนะสองร้อยกับหนึ่งครั้งเหมือนกันฉะนั้นการทดสอบทุกครั้งนั้นไม่มีอะไรนอกจากอดทนอดทนอดทนแล้วมันขอดูอาต่ออัลล์นี่ตัวเลขที่เราอ่านจะอัลกุรอานอัลฮัมเดลิลละพี่น้องเอากรที่จะอธิบายกราุรอ่านอาพูดตัวเลขสักสามเรื่องนะเรื่องที่สองนะอิมฟากเรื่องการบริจาค ในคำภีกุรูอ่านพีน้องอ่านไปจะเจอเนะีเรื่องอิ่ฟากบริจาคบริจาคบริจาคบริจาคบริจาคคำว่าบริจาคนี้ไม่ใช่เงินอย่างเดียวนะหนึ่งบริจาคความรู้บริจาคเงินนะครับบริจาคร่างกายของเราไปในเพื่อในทางของอัลลอฮ์ทั้งหมดนะคนที่บริจาคร่างเขาเคนตาย شهيد จะเป็นบริจาคความรู้บริจาคทรัพย์สมบัติบริจาคอะไรก็ตามแม้แต่ให้สลาไม่ไมด้ของธรรมบทเหล่านี้นะคือการบริจาคเนี่ยเอาลอพูดคําว่าอิ่ฟากเนี่ยทั้งหมดเจ็ดสิบสามครั้งพูดจนอดทนอ่ะสองร้อยพูดบริจาคเจ็ดสิบสามเต็มตัวเลขขี้ทั้งหมดเจ็ดก็ขี้สามก็ขี้ใช่ไหมแต่ตัวเลขขี้เนี่ยเอาลอพอใจใไหมเอาลอพอใจหมด เมื่อบริจาคแล้วได้อะไรตอบแทนจาก Allah? Allah, าอัลลอฮ์อัลลอฮ์พออ่านตัวเลขแล้วนะความดีใจหรือความพึงพอใจของอัลลอฮ์ที่ได้จากการบริจาคเรียกว่าอาริบะบริจาคแล้วไปนองบริจาคในทางของอัลลอฮ์ทั้งหมดจะได้คําว่าริบะริบะแปลว่าความพึงพอใจจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์กล่าวกี่ครั้งนะเจ็ดสิบสามครั้งเหมือนกัน พูดถึงบริจาคเจ็ดสิบสามครั้งพูดถึงบริจาคแล้วจะได้รับอะไรจากอัลลอฮ์ความพึงพอใจอีกกี่ครั้งอีกเจ็ดสิบสาครั้งซึ่งเป็นตัวเลขที่อัละหมดรีเลอร์ตัวละมากรูอ่านจะสอนเราหลายเรื่องสำนึกเองนั่งมองไม่ออกอ่ะอะีอัลลอฮ์พูดทำไมพูดทำไมการยิงอยู่ไปอยู่ไปนานๆเราจะเห็นอะไรเยอะๆาจากคํามีอัลกุรอานและอีกเรื่องหนึ่งนะพี่น้อง พูดเรื่องสะการสะการจะกระจายเหมือนกันแต่คำว่าสะการอย่างเดียวในกัมภีร์อุปนิสเนี่ยกล่าวว่าไงรู้ไหมสามกล่าวซ้ําไปซ้ำมาสามสบสองครั้งสะการสะการสะการสะการทีนี้เมื่อจ่ายสะการไปแล้วเนี่ยคนที่จ่ายสะการเนี่ยได้รับอะไรบางคนไม่อยากจ่ายสะการก็ไม่รู้ตัวเองได้อะไรรู้ว่าอัลลอฮ์สั่งนะรู้แต่มันได้อะไรอะ อ่เช็คจากอุษณาครับได้บรารักะได้ความจำเริญเมื่อ จ, จ่ายอากาศไปแล้วอลัลลอฮฺจะเพิ่มบรารักะความจำเริญกับชีวิตของเขาความจำเริญกับทรัพย์สมบัติของเขาความจำเริญกับคนในครอบครัวของเขาทั้งหมดเนี่ยนะอีกกี่ครั้งรู้ไหมเท่ากับอากาศนั่นแะหละอากาศทลายสามสิ 32, บรารักะก็32เหมือนกัน นี่เป็นข้อมูลของโอลมะมนะครับที่เขารวบรวมมาสรุปโดยมารนารเบียเป็นอาจารย์ผมอยู่ที่อินเดียอัลฮัมดุลิลัยจะรับหนังสือมาเมื่อสักหงเจดเดือนที่แล้วเพิ่งเตินอ่านในช่วงป่วยเนี่ยได้ความรู้เพิ่มเติมพี่น้องผมเอาตัวเลขจากคุรานเนี่ยสามสีเรื่องมาเนี่ยถามว่าอัลลอฮ์กล่าวทาไมในคัมภีร์กุรานอีกเรื่องหนึ่งเาต้องการจะบอกว่าโลกดุญญนยาใบนี้นี่นะ คนดีเนี่ยต้องเยอะกว่าคนชั่วทโลกใบนี้เนี่ยถ้าคนชั่วมากกว่าคนดีนะมันอะไรเมันเสียหายไปหมดแล้วแต่อัลลอกนะาาอล่าวในกัมภีร์อุลแานพูดถึงเรื่องคนชั่วนี่นะพูดสามครั้งเองฟุตยาต่ว่าคนเลวคนที่ไม่น่าไว้วางใจทำลายโลกเนะี่ยพูดสามครั้ง แต่มาพูดถึงเรื่องอัรอร์คนดีดีดีดีดีดี ด, ด, ด, ดีทั้งหลายที่ดูแลโลกใบนี้นี่นะอัลลอ์พูดถึงหกครั้งด้วยกันแสดงว่าคนดีต้องมากกว่าคนชั่วเท่าไหร่ดับเบิ้ลถ้ามีคนทั่วสิบล้านคนดีก็ต้องยี่สิบล้านอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่เป็นข้อมูลจากอัลกุรอานเอาละครับวันนี้วันนี้เรามาดูความุณอัลลอฮ์นะที่เรา อ่านคุณอ่านทบทวนคุณอ่านวันนี้มาถึงสุรอะลอัมบิยาอายะที่51นะครับซึ่งอิหม่ามก็อ่านในนมัดนะครับวละลากดอาตายนาอิบราฮิมารุษดะฮูมิ่งควบวกุลนาบิฮีอาลิม ว่าลังก็ได้ทายนาอิบราฮิมารุษดะฮูมิ ق َกْบُ و َ ك คุณน ا บِหِ عالم ِ ي ن ล ا ل ม م ุล ل ه พี่น้องอ่านคุรานอิมานมันเพิ่มจริงจิงนะเปิดสมองเราด้วยเอาอาย่านี้เอาหลต้องการจะบอกอะไรเราพี่น้องเอาหลอสอนอย่างนี้สอนเรื่องนบีอิบราฮม นี่ให้เราคิดถึงนบีอิบรอฮิมในเช้าวช้าแบบ น, นี้เราต้องอ่านดวอาก่อนใช่ไหมแล้วก็ห้ามเชาวช้าแบบนี้หลังจากนมาลสุมโมเสร็จในห้ามนอนน่ะยกเว้นคนป่วยที่พอไม่นอนระมานั่งอ่านกานลัวอ่านเราได้ความรู้จากอญญาย่านี้พี่น้องเนี่ยสามเรื่องด้วยกันเรื่องที่หนึ่งว่าเาก็ไตานาอิบรอฮิมโดยแน่นอนยิ่งเราได้ประทาน อาไตนาเนี่ยเราได้ประทานให้อัลลอฮ์ให้ใครพี่น้องอิบรอฮิมนบีอิบรอฮิมนะครับฉะนั้นนบีอิบรอฮิมเนี่ยห่างกับเรากี่ปีอัลลอฮ์พี่น้องไม่ใช่ร้อยสองปีนะเป็นพันขนาดเรากับนบีนะคะก่ปีพันสี่ร้อยกว่าปีแล้วเรากับนบี อีซาห์ะเรากับนบีมูซาแหะห่างกัไม่ห่างกันยังห่างขึ้นห่างขึ้นห่างขึ้นแล้วเรากันนาบนบีอิบรอฮีมเนี่ยพี่น้องมันห่างกันไม่รู้ว่ากี่พันปีทั้งทั้งที่ห่างกันอย่างนี้เนี่ยอยู่ในอัลลอฮ์นนกล่าวในการบีครานเหมือนกับนบีอิบรอฮิมอยู่ข้างหน้าเราเลยให้เราคิดจินตนาการอลัลลอฮ์นบีอิบรอฮิมมันมีมาตั้งน้าแล้วแต่ทําไมมากล่าวในการบีครานให้เราอ่านอิบรอฮิมอิบรอฮิม พี่น้องเรากล่าวนาบีอิบรอฮิมวันละกี่ครั้งในนมาดอัลลอฮุมะฮ์มัดวาเดะอัลีมะฮ์มัดกามะฮ์มไลตาเดอิบราฮิมวาเดะอัลีอิบราฮิมใช่ไหยเพราะว่านบีอิบราฮิมเนี่ยผูกพันกับชีวิตของเราทั้งชีวิตเลยนี่กขะเป็นต้นตระกูลของาศาสนาแหล ะ, อ, ะอิบราฮมเนี่ยเป็นต้นตระกูลของาศาสนาอิสลามเลยนะแตนี้นบีอิบราฮมเนี่ย เป็นอะไรนะมีลูกเอาลูกเล่าประวัติศาสตรเล็กๆน้อยๆนะนบีอิบรอฮิมมีลูกกี่คนสองคนพญาคนแรกมีลูกชื่ออะไรนะอิสมาอินพญาคนที่สองดียอิสมาอินเนี่ยคนแรกแต่งกันหลายปีไม่มีลูกแล้วก็มาแต่งกับคนที่สองก็แต่งคนที่สองป้าบอัลลอฮ์ให้นบีอิสมาอินมาคนหนึ่งแล้วต่อมาได้อีกคนหนึ่งพญาคนแรกชื่ออิสฮ่า อิสหักเนี่ยเป็นต้นตระกูลของบ ن ีอิสรออีนทั้งหมดเลยน บ, บนีอิสหักเนี่ยเป็นต้นตระกูลของบ ن ีอิสรลอีนทั้งหมดส่วนอิสมาอีนั้นอัลลอฮ์สั่งให้ท่านอิบราฮิมนําเอานางคาจัดกับอิบรอฮิมมาไว้ที่นครมักกะห่างกันคนละประเทศเลยคนละโซนเลยใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยนบีทั้งหมดเนี่ยบ ني อิสโลอินต้นตระกูลเนี่ยยากรูปเนี่ยหัวหน้า เป็นตระกูลใหญ่เลยนะครับเป็นลูกของของอิสฮากเนี่ยมนีนบีนบีนบีนบีมาทั้งหมดเลยไปน้องนบีคนสุดท้ายของบนันทอิสาอามคือนบีมูซาอะลัยฮิสสลามอซาอะลัยฮิสสลามมูซาละอซาอะลัยฮิสสลามและในคัมภีร์เตราร้อเนี่ยอธิบายบว่าเดี๋ยวไม่ช้าจะมีนบีมาอีกคนหนึ่งชื่อมุฮัมมัดดูในคัมภีร์เตราร้อนอินยืนทั้งหมดอธิบายไว้ คู้นี้ก็นั่งรอเมื่อไรนบีคนสุดท้ายจะมารอรอรอรอรอแล้วไปโผล่ที่ไหนโผที่นครมักกะ <c oughs> พอโผที่นครมักกะอิสมอเอียนรับไม่ไหวรับไม่ได้อา้าวันไม่มาเชื่อสายของเราหน่มันพวกอาหรับอะ่ะแต่ในคําภีร์ักุรอานอนธะิบายไว้แล้วว่าอิสมาอีนนั่นเป็นลูกของอิบราฮิมที่ไปสร้างมั ก, กะสร้างกะบะ สร้างใบตุ่ล้อเนะ่ยโดยฝีมืออิบรอฮีมกับนบีอิสมาอินแล้วก็ไม่ให้นบีมาตลอดเลยเพิ่งมาให้คนสุดท้ายคือมุฮัมมัดเกิดที่มนครมักกะซึ่งเป็นลูกของนบีอิบรอฮิมเหมือนกันรับไม่ได้อ่าบันทึอิสรามอินแค่มากโหยาฮูดีนี่แค่มากนะครับไม่ามรับไม่ได้เพราะอิจฉาเอาแหะเราเล่า แ, แ, แ, แ, แค่นั้นพอทีนี้ อิบราฮิมเป็นต้นตระกูลของศาสนาคริสต์ยิวทั้งหมดเลยศาสนาทั้งหมดที่อยู่ในที่มามผ่านผ่านนาบีนบีอิบราฮิมนบีอิสฮารกเนี่ยอยู่ทีนั่นหมดเลยวันนี้ผมจะเล่าต้นตระกูลของพวกบรรดาิสราเอลเนี่ยนะครับสักเจดแปดข้อก็อแล้วกันนะพวกบรรดอิสราเอลเนี่ยนะวันนี้ยังอยู่ยังมีอิทธิพลอยู่เยอะมากนะ ยังรวยนะเงินทองเยอะแต่ได้มาจากของที่ฮารอมก็เยอะใช่ไหมเราเห็นค่าวอยู่น้องมุสลิมวันนี้จริงไม่จริงครับในะบกรารพิจารอาอธิบายที่ผมสรุปนะครับหนึ่งพวกบนนีอิสรออลินี่กินดอกเบีย้ยแต่มุสลิมมาทำท่าจะเดินตามคนยาฮูดีอยู่วันนี้ใช่หรือไม่ใช่โฆษณาผ่านทีวีทุวันทุวันทุวั น, วนข้อหนึ่งกินดอกเบีย้ย ไม่ปฏิบัติตามคํำภีเตอรออย่างเคร่งครัดส่วนมุสลิมทําตรงกันข้ามมุสลิมไม่กินดอกเบีย้ยแล้วก็ปฏิบัติตามอัลกุรอานอย่างเคร่งครัดเสียวนั่งอ่านต้าเสียกันอยู่เนะี่ยเพื่ออะไรอะ่ะไม่ใช่อ่านเอาบรารักัดนะไม่ใช่อ่านเอาบรารักัดนะอ่านเอาอะไรนะเอาเอาความรู้และนํามาไปปฏิบัติเพราะบางแห่งเนี่ยเขาเรียน เขาเรียนคุรานเอาเอาบารักัดอธิบายคุรานนะไม่ได้ปฏิบัติตามคุรานแล้วนะถามเรียนทําไมเอาบารักัดผมกลัวนะพวกเราที่เรียนตับซีเนี่ยเรียนทําไมอ่ะเอาบารักัดเหมือนกันเอาฮัดดิอิมาบุคฮารีมาเรียนนะในในอินเดียยังมีอยู่หลายแห่งนะเรียนฮัดดิสบุคฮารีหมดเล่มยตั้งแต่อารีฟถึงถึงสุดท้ายเลยนะเรียนจบหมดเลยน่ะ แล้วก็ปฏิบการปฏิบัติของเขานี่ตรงกันข้ามกับพัดธษบุคอลีหมดเลยอ่ะแล ะ, ะวงถาว่าเรียนทำไมอ่ะทุกปีเลยเนี่ยไปละครละครละครเขาว่าเอ็งไม่รู้เรียนเพื่อเอาบรารักัไม่ใช่เรียนเพื่อ น, นำเอาไปปฏิบัติในอินเดียมีอย่าบอกว่าตรงไหนนะเดี๋ยวมีปัญหาแต่ว่าที่เมืองไทยก็มีครับเรียนซุนน่านาบี แต่ไม่ได้เอาสุ น, นัขนาบีไปไปฏิบัติเรียนเพื่อเอาบรารักัดฉะนั้นทําอะไรผิดกับสุ น, นัขนาบีเยอะเบื้องบเลยยังอาบน้ำ น, ำนำมัดแตะสามทีอยู่นั่นแหละทั้งทั้งในฮะดีอธิบายอย่างนี้ทําอย่างนี้นะเรียนทำไมเรียนเอาบรารักัดมันจะเรียนเอาความรู้ฉะนั้นเราที่เรียนนี่นะเรียนกุณอ่านเพื่อเอาความรู้อย่าเรียนเพื่อเอาบรารักัดอย่างเดียวไม่ได้บรารักัดอยู่ที่ไหนอยู่ที่การจ่ายสกาดนู่น ถ้าต้องการบรักัาตนะให้ใจศาศาสะกัดอลัลลอฮ์พูดถึงสะกัดกี่นะครั้งนะสามสิบสองครั้งพูดถึงบรักะา์ก็สามสิบสองครั้งเหมือนกันข้อที่สองนะครับพวกบรรดาิสราเอลเนี่ยเคยได้รับความโปรดปานจากอาลัลลอฮ์เหนือประชาชาติทั้งหมดแต่วันนี้ให้ไหมไม่ให้แล้วเคยได้รับความโปรดปานรีรอจากอาลัลลอฮ์เหนือประชาชาติทั้งหมดข้อที่สามพวกนี้อวดว่ามั่งมี อวดว่า ม, ามั่งมีอวดว่าร่ํารวยแต่ท่านคนที่คุยอวดว่าฉันมีเงินเยอะเนี่ยพวกเยโฮดีทั้งหมดพว ก, พวกบันิอิสราเอลฉะนั้นพี่น้องมุสลิมเนี่ยเขาจะทําตรงกันข้ามกับพวกบันิอิสราเอลเราจะไม่เราจะไม่คุยว่าเราเนี่ร่ํารวยเราจะรู้ว่าเราร่ำรวยตอนไหนตอนบริจาคสกาดใจเยโฮดีมันทําตรงกันข้ามนะจะรู้ว่าฉันรวยเนี่ยม อ, มองที่บ้านกับมองที่รถ มองที่อาคารมองที่ธุรกิจแต่ของของอิสลามเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นนะมองตรงกันข้ามกับพวกบันิอิสรอเอลถ้าจะมองว่ามุสลิมรวยนะรู้ตอนไห น, นตอนบริจาคเอาละเอาไปเลยล้านหนึ่งสองล้านสาล้านแต่ตรงกันข้ามกับบันิอิสรอเอลก็คือพวกมุสลิมพวกมุสลิมตรงกันข้ามกับบันิอิสราเอลคนอิสราเอล เวลามีเงินเยอะๆเนี่ยดูได้จากไหนนะจากการสร้างบ้านโอสร้างบ้านใหญ่เดือนสกาดไม่เคยจ่ายเลยสร้กล้องไม่เคยจ่ายทายีไม่เคยไปใช่ไหมจะมีเป็นตนัวนี้อธิบายพีนน่น้องโพสสั้นๆอย่างใจอยู่ น, น, นองก่ออีกข้อหนึ่งอ้างว่าเป็นบุตรและคนโปรดของอัลลอฮ์พวกบันิอิสรออีนพูดว่าพวกเขาเนี่ยไม่ตกนรกเพราะพวกเขาเนี่ยเป็นลูกของอัลลอฮ์ ถ้าจะตกก็ตกไม่กี่วันมุสลิมตั้งหากที่ตกแล้วอยู่ในนรกตลอดกาลนี่บเนี๊อิสราเอลมันว่าอย่างนี้พี่น้องมันดาใส่ใส่เลยนะใส่พี่น้องมุสลิมอยู่บเ น, นี๊ยคูขออธิบายอีกนิดหนึ่ง <c oughs> ในคัมภีร์กุนอ่านมีอยู่อายาหนึ่งใช่ไหมคนที่แบกคัมภีร์เตารอนเนี่ยเปรียบเสมือนอะไรเปรียบเสมือนลาคนที่แบกคัมภีร์เตารอ มีคำพีเตารออยู่ที่มือของเขาอยู่ที่บ้านของเขาเอา ล, ล็อตตำหนินะแล้วก็ไม่เคยเอาคำพีเตารอเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจาวันคนคนนั้นไม่ต่างกับไพมารอเหมือนกับลาตัวหนึ่งวันนี้มันเปลี่ยนใหนะม่นะมาบอกพี่น้องมุสลิมนะมีคำพีอัลกุรอานนะเหมือนลาเหมือนกันแบกคำพีกุรอานะไปดูสิแบกกันเป็นแถวบรลเล่มสองเล่มสามเล่ม แล้วก็ทำอย่างดีเลยนะห่อปกใส่อะไรแดงๆงอยหอไว้สูงๆบนที่หิ้งไม่เคยเปินอ่านเลยหรืออ่านก็อ่านไม่รู้เรื่องฉะนั้นที่อัลลอฮ์พูดว่าบรนดอิสรอออลพวกยยฮูดีเนี่ยมีคำพิทร์ร่ไม่อ่านวันนี้พี่น้องมุสลิมทั่วโลกก็ทำเหมือนมันแล้วใช่หรือไม่ใช่แต่ไม่ใช่ฉะนั้นเรากำลังศึกษาอัลกุรอานอยู่วันนี้ เราไม่ทําตัวเหมือนพวกบรนีายิสรอเอลที่มีคำภีร์เตาร์ล้แล้วก็ไม่เคยเอาคำภีเตารอล้มาใช้ในชีวิตประจําวันเราทําตรงกันข้ามนะพี่น้อง อ, อีกข้อหนึ่งพี่น้องพวกบรนีายิสราเอลเนี่ยอยากเห็นอัลลอฮ์อัลลอฮ์ลงโทษเลยนะครับต่อมาครับได้รับความกริ้วโกรธจากอัลลอฮ์เนี่ยฉะนั้นเราระวังนะอย่าให้อัลลอฮ์กลิ้วโกรธแล้วนะอีกข้อหนึ่ง มีความประพฤติเลวอย่างลิงแล้วก็เหมือนนิสยัยเหมือนหมูเร า, อ ย, า, ยาอย่าเอามาใช้นะนิสยัยเหมือนหมูอธิบายยังไงหมูเนี่ยขยะขแขยงใช่ไหมอ่านิสัยหมูนี่ยเราก็ไม่ชอบใช่ไหมยาหูดีนำเอาประชายหมดเลยฉะนั้นนี่กุูอ่านเล่านะมัใช่ความคิดของเรานะอีกข้อหนึ่งนะครับเคารพลูกวัว หัวหน้าที่ปั้นลูกวัวมาเคารพนะ่ยชื่ออะไรนะซาะไรซาเิรีซาเมรีเนะี่ยใครเลี้ยงยิบรีเลี้ยงชื่อมูซาเหมือนกันคนที่ปั้นลูกวัวเนี่ยชื่อมูซานะแจะมีชื่อของเขาคือชื่อชื่อเล่นๆ่นชื่อซาเิรีใครเลี้ยงมาลาอิกาเลี้ยงส่วนมูซาทีที่ฟาโร่เลี้ยงเนะ่ยเป็นอะไรเป็นนบีในสมัยเดียวกันเอาเล่าแค่นี้พอนะครับ อีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายพวกบันีอิสรา อ, อีนเนี่ยพยายามให้มุสลิมทิ้งศาสนาพวกบันีอิสรา อ, อี น, นี่นะมีนโยบายมีแผนการที่จะให้มุสลิมทิ้งศาสนาอีกข้อหนึ่งนะครับต้องการจะอ่านประกาอิบรอฮิมคำเดียวนะสอดแนมนะครับสอดแนมให้กับศัตรูของมุสลิมเวลามุสลิมมีปัญหากับชาวโลกนี่นะ พวกบันีอิสรอลเนี่ยจะเข้าทางฝ่ายศัตรูแล้วก็เล่นงานพี่น้องมุสลิมเรื่องจริงเรื่องเท็จจริงครับที่ตึกวนเทตกำลัาจะรู้เลยว่าไม่ใช่มุสลิมทำขารทำขนบันเดียวกันทำข้อสุดท้ายคนยะฮูดีนี่นะครับเกลียดชังมุสลิมมากเลยก็คุณอ่านอายา น, นี้ครับอินน่าชัดดันาเซียอาดารวัตันลิลลัฎีนาอามานูอัลยะฮูดวลลัฎีนาอัชราู สัตว์ต uh i, Israel, ัวรายของผู hum, ้ศรัทธาต่ออัลลอ์ก็คือคนเยหฮดีหรือบันิอิสราอินและคนที่ตั้งพาขีกับอัลลอ์สุบฮานะฮูวะตาลาอธิบายเรื่องอิบราฮีมเพียงแค่นี้ก่อนนะวาละกอดอาตายนาอิบราฮีมโดยแน่นอนยิ่งเราได้ประทานแก่อิบราฮีมคือนบีอิบราฮีมรู้ไหมให้อะไรครับ รุชดาหูความอะไรรู้ไหมรุชดาความเฉลียวฉล า, าดฉะนั้นพี่น้องความเฉลียวฉล า, าดที่เกิดกับมนุษย์แต่ละคนแต่ละคนนี่มาจากไหนมาจากอัลลอยกตัวอย่างอาญาณีเป็นกรณีตัวอย่างนี่เป็นหลักฐานเป็นหลักฐานบ่งบอกให้รู้ว่ามนุษย์คนที่เก่งๆฉลาชลาเนี่ยไม่ใช่ว่า มันคิดเองทําเองไม่ใช่อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ลลให้ครับฉะนั้นเนลูกเราไปต้องสังเกตเองนะลูกเราห้าคนเนี่ยอัคลากเหมือนกันไหมแต่ละคนแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นคนที่มีลูกเยอะเนี่อัลลอฮ์ต้องกาจะให้พ่อแม่ฉลาดลูกคนนี้มีนิสัยอย่างหนึ่งคนนี้อย่างหนึ่งคนนี้อย่างหนึ่งฉะนั้นคนนี้จะดูแลนะดูแลลูกเนี่ยให้เข้าสวารรค์นี่นะ อัลลอฮ์จึงมีผลละบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์เยอะมากครับเพราะนั้นต้องนั่งปรึกษากับภรรยาเนี่ยไอย้ลูกคนนี้เป็นยังไงเนี่ยลองคุยปรึกษากันหน่อยสิจะอบรมมันยังไงดีนะมันจะสอนมันยังไงนะอัลลอฮ์พี่น้องนิสัยต่างกันอะไรต่างกันแต่ตรงนี้ต้องการจะเล่าให้เราฟังเป็นการเปิดสมองเราว่านาบีอิบรอฮีมนั้นอัลลอฮ์ได้ประทานความฉเฉลียวฉลาดฉะนั้นพี่น้องครับ ถ้าใดไปน้องต้องการจะดูลูกของท่านนะนะให้เป็นลูกของท่านนะ่ะมีศาสนามีอิมานเนยแม่พ่อต้องมีศาสนาด้วยถ้าพ่อแม่ไม่มีศาสนาเนี่ย อ, อัลลอฮ์ว่ากันจะเอาอะไรไปอบรมลูกอะ่ะพอพูดก็ผิดแล้วอลัลลอฮ์ลูกไปดูหนังกับพ่ อ, อยังงี้ไปไปสวรรค์ไหมลูลกไ ป, ปไปกับพ่อ เ, เดี๋ยวซื้อบุหรี่ให้พ่อหน่อย นี่เป็นการแนะนําในทางที่ผิดทั้งหมดอ่ะเพราะฉะนั้นคุณอ่านอะไรนี้เปิดสมองเราว่าความเฉลียวฉล า, าดนั้นมาจากใครมาจากอัลลอฮ์ความไม่ฉล า, าดก็มาจากอัลลอฮ์เหมือนกันในฮะดิษอธิบายเอาไว้ความเฉลียวฉล า, าดก็มาจากอัลลอฮ์แล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องมืนมืนนั่นก็มาจากอัลลอฮ์เหมือนกันทั้งหมดแต่เราก็ต้องเลี้ยงลูกของเราเนี่ยทั้งสองคนนี่แหละทั้งรลูกฉล า, าดแล้วไม่ฉล า, าดเนี่ย ให้มีศาสนากันทั้งสองคนแต่จะจะศึกษายังไงพยายามดูสุนนานาบีเป็นแบบนะครับนบีจะรักลูกเท่ากันจะให้ของขวัญลูกเท่ากันถ้าจะให้ของขวัญมากกว่ากันนะร่้ไหมให้ใครให้กับลูกผู้หญิงเนี่ยนบีสอนไว้หมดเลยนะพี่น้องเอาละวันนี้ได้ความรู้ข้อที่หนึ่งก็คือนบีอิบราฮิมเป็นคนเฉลียวฉลาดเรื่องที่สอง เฉลียวฉลาตั้งแต่เมาาื่อไรมิงกอบลูแต่ครั้งก่อนตั้งแต่นานมาแล้วไอ้ครั้งว่าครั้งก่อนนะอธิบายอย่างนี้ในติฟฟิอิบนุกะซิรอธิบายบอกว่ามินซิอกอรีฮีตั้งแต่นบีอิบราฮีมยังเล็กๆอยู่พอเกิดมาครวบสองครวบสามครวบนี่ชฉลาเลยอลัลลอฮให้มามิงกอบลี ตั้งแต่อายุยังน้อยๆอยู่เนี่ยอัลลอฮฺประทานความเฉลียวฉลาดให้ฉะนั้นสอนเราเหมือนกันถ้าลูกเราฉลาดตั้งแต่เล็กๆเนี่ยโอ้พูดจาดีเดินอัคลากดีจะเข้าของน้ําท่องลงตัวนี่ก็ต้องนึกนะอัอนี่ยอลัออลลอฮฺให้ออย่ามองว่าฉันเก่งนะเลี้ยงลูกโอ้โหฉันนึงเลยไม่ใช่เราเแค่เป็นสื่อเท่านั้นเองเพืนนอ่อน้องอาย่านี้เป็นหลักฐาน ว่ล้ก็ด้แต่ในอิบราฮิมรู้จักเขามิ่กอบลูก็ติแปลว่าแน่นอนยิ่งนะเป็นการชี้นําที่เด็ดขาด ว, ว่าเรื่องจริงทั้งหมดเรื่องเท็จไม่มีอิบรอฮิมเราได้ประทานแก่อิบรอฮิมนั้นความอะไรนะความเฉลียวฉลาดมิ่งกอบลิมิ่งกอบลูแต่ครั้งก่อนครั้งว่าครั้งก่อนนะั้นน่ะ ตั้งแต่สมัยเขายังเป็นเด็กๆอยู่ก่อนการเป็นนบีอัลฮามุดิลลาได้ความรู้เรื่องเรื่องที่สองนะเรื่องที่สามวกุนบิฮิอาลิมะวะีวกุนบิฮิอาลิมีอาลิมแปลว่ารู้อาลิมอาลิมนะแปลว่าคนรู้แต่นี้ยอัลลอฮ์เล่าเองนะและเราเนี่ยรู้จักเขา เราเนี่ยรู้จักอิบรอฮิมนะครับดียิ่งนะครับเราเนี่ยรู้จักอิบราฮีมดียิง่งว่ากุณ น, นาบีฮิอาลิมินต้องการจะบอกว่านาบีอิบราฮิมนั้นอนะเรารู้จักตั้งแต่เขาอยู่ในท้องมารดาคลอดออกมาจากท้องมัณดาเรารู้จักเขาคือจ้องมองเขาอยู่ดูแลเขาอยู่รักษาเขาอยู่ตลอดเวลา ต้องการจะอธิบายว่าเราเหมือนกันอลัลลอฮฺวันนี้ดูแลเราไหมดูแลเราครับทุกขั้นตอนของการดำเนินชีวิตของเราเอาลัลลอฮฺมีมลรัยกะมาเฝ้าดูแลอยู่บันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดเลยว่าเราอยู่ยังไงเป็นยังไงมีมลรัยกะแต่ละคนแต่ละคนที่องค์ครับอย่างน้อยสี่องค์นะข้างหน้าข้างหลังซ้ายขวาข้างหน้าข้างหลังคอยบันทึกนะไม่ใช่คอยปกป้องอันตราย ซ้ายขวานี่บันทึกความดีหลืความชั่วแค่นั้นอลัลลอฮ์เล่าเองว่าเรานี่นะรู้การเคลื่อนไหวของเขาตลอดเวลานี่ท่านมี إ ม م ا ن เพิ่มไหมเพิ่มกับนี่วิชาต่าหินกุญอานสอนเรื่องต่าหินนะคับทุกอิริยาบถของเราเอาลัลลอฮ์บอกว่านายบีอิบราฮิมฉันรู้ทุกขั้นตอนของชีวิตของเราแล้วเราจะไม่รู้เหรอต้องรู้ถามว่าเรื่องฟาโรห์เนี่ย อัลลอฮ์รู้ไหมรู้ทุกขั้นตอนของชีวิตเลยนบีมูซาอัลลอฮ์รู้ทุกขั้นตอนของชีวิตอิบราฮีมอัลลอฮ์รู้ขั้นตอนของชีวิตแล้วเราอัลลอฮ์ไม่รู้หรือรู้ครับคนอนุ ญ, ญาตนี้อี إ ي م านเพิ่มสามเรื่องเราได้เรื่องที่หนึ่งอิบรอฮิมเนี่ยอัลลอฮ์ได้ประทานความเฉลียวฉลาดให้เราฉลาดไหมฉลาดครับเราไม่ใช่คนโง่งนะเขาฉลาดเนี่แต่เราฉลาดเรื่องดุลยยาไม่ฉลาดเรื่อง อาคือเราไม่ค่อยฉลาเท่าไหร่เราอะเออเรื่องดุลยาเรื่องกู้แบงเนี่ยอเลมหน้าดูเลยก็ทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตอนตายทําไงเอ๊ะชักงงงงตอนคูไปเอ็งเอ็งทานําไปไอเราไม่ค่อยรู้เรื่องอ่าพี่น้อง <c oughs> ท่านนี้นบีอิบรอฮิมมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งที่จะจะเล่าตรงนี้นะนบีมุฮัมมัดพูดเองนบีมุฮัมมัดสอนเองนะสอนอย่างงี้ <c oughs> นบีอิบราฮีมไม่เคยพูดโกหกนบีพูดโกหกไม่ได้ทุกนบีในโลกนะครับไม่มีใครพูดโกหก <c oughs> ะ่านคนที่พูดโกหกนั้นไม่ใช่ลักษณะของคุณที่เป็นนบีแล้วก็ไม่ใช่ลักษณะของผู้ศรัทธาต่อรอดด้วยที่จะพูดโกหกแต่นบีอิบราฮีมนบีพูดมีโกหกอยู่สามครั้งในชีวิตของเขา มีโกหกกี่ครั้งนะแค่สามครั้งนะหนึ่งโกหกตอนที่รูปปั้นรูปจเจวิตที่ท่านเองเป็นคนเอาขวานไปฟันฟันฟันฟันฟันฟั น, ฟ น, ฟ น, ฟนใช่ไหมคอหักหมดเลยพอเสร็จแล้วก็พอคนที่เข้ามาในโบสถ์ต้องการจะกราบรูปปั้นมาเจอคอหักหมดเลยก็ถามอิบรอฮีมเองถามเปล่าละ่ะไม่ได้ทํา มีข้อที่หนึ่ง ท, งทงั้งๆที่ท่านไม่คนทำพอถามจริงๆถามไปไม่ได้ทำบัลฟ้าลาหูกะบีรูหุมตัวใหญ่มันทำคือไปทำลายรูปปัานตัวเล็กๆหมดเลยแล้วตัวตัวใหญ่นะนะเหลือไว้ตัวใหญ่ตัวเดียวแล้วม็เอาขวานไปแขวนไปที่คอคะว่านี่ตัวใหญ่มันทำนี่เรื่องที่หนึ่งนะที่นาย บ, บีพมัดเล่าเองนะ เบีบรหีม e พูดโกหกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องที่สองวัน ท, นที่วันที่ไปทําลายรูปรูปจเจเบตเนี่ยวันนั้นเป็ น, เ ป, นเป็นวันอีดอีกของคนคนคนกาเฟตในะสมัยในในสมัยนู้นเนี่ยนะเขาชวนอิบรอหีม e ออกไปออกไปไหว้ออกไปทําธุระกั น, นชวนไปโบฉันไม่ไปโกหกว่าอินนี้สตรีมฉันเป็นคนป่วย ที่ไม่ออกไปวันนั้นแหละเป็นเหตุทำให้ท่านถือขวานไปทำลายรูปเจเบตหมดนี่กหกครั้งที่สองทำไมไม่ออกอ่ะฉันป่วยออกออกไม่ได้ 2. เรื่องที่สองเรื่องที่สามตอนที่พาภ ร, รยาซาลอภรยาคนแรกเดินเข้าประเทศอียิปต์ทำไมนบีต้องตอนเดินทางอยู่อยู่อยู่กับบ้านไม่ได้หรืออยู่กับบ้านไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ซุน่า น, นาบี ต้องเดินครับเดินทางออกไปตลอดเวลาไปไ ป, ไปทำงานศาสนาไนงะอยู่บ้านไม่ได้เป็นานจะต้องการเดินทางเป็นซุนนะของบรรดานับีทั้งหมดแล้วก็ไปสองคนเป็นอะไรคนเดียวนะพาภรรยาไปด้วยทีนี้ประเทศอียิปต์เนี่ยพอผ่านเมืองตัปเนี่ยอียิปต์เป็นประเทศที่โหดร้ายนะกษัตริย์เนี่ยเป็นประศัตที่อาธรรมรเลมกับประชาชนเจอผู้หญิงสวยๆที่เดินข้ามแดนนี่นะ บอกทหารจับตัวหมดเลยไปให้ไปให้กษัตริย์เพื่อจะทํานู่นทนํานี่ไปทำซีนากันนั่นแหละพี่น้องพอนบีอิบรอฮีมเนี่ยมีภ ร, รยาจุาู่ซาโรภรยาของท่านเนี่ยสวยมากที่อัลลอฮฺประทานให้คิดแล้วพอพอเดินก็ผ่านประเทศอียิปต์ทหารเห็นก็แจ้งประธางกษัตริย์กษัตริย์สั่งเลยจับจับทั้งสองคนนั่นแหละจับอิบราฮีมด้วยจับภ ร, รยาด้วยเพื่อเอาภรรยานี่ไปถวายให้กับกษัตริย์ เสร็จแล้ว่อถูกจับเสร็จแล้วเนี่ยนบีมุสลิมสั่งภรรยานะเราเป็นมุสลิมแค่สองคนในประเทศอียิปต์เท่านั้นเวลาเธอถูกจับไปแล้วเวลาเขาจะทําปูยิปปูยำอะไรนะเธออย่าพูดว่าฉันนี่นะเป็นสามีนะผู้ว่าเราเนี่ยเป็นพี่น้องกันตรงนี้แหละเป็นการพูดโกหกทั้งๆจะเป็นสามีภรรยากันแต่อ้างว่าเป็นพี่น้องกัน พี่น้องการทางศาสนานะไม่ใช่พี่น้องกันจริงๆนะพี่น้องทางศาสนาพอนบีอิ บ, บราฮิมสั่งเลยนะเธออาบน้ําน้ำมาดก่อนเวลาเข้าไปก่อนเข้าต้องน้ำมาก่อนนะครับแล้วก็เดินเข้าไปเดีวซิกรุลลอดไปด้วยทำสามรายการหนึ่งอาบน้ําน้ำมาดสองน้มาดสามซิกรุลลอดก่อนจะเข้าไปหากษัตริย์ส่วนนบีอิ บ, บราฮีมนั่งอยู่ที่เต็น อาบน้ำน้ำมาดนมาดแล้วนั่งซิคลูลอพอเข้าไปเนี่ยมีน้านมาดมีซิคลูลอมีนมาดไปด้วยขออนุญาตพอเข้าไปกษัตริย์ต้องการที่จะจับจะจะกอดนั่นะว่าง่ายๆเนะี่ยมือเริ่มสัน่นทําอย่างเนี้ถึงสามครั้งเกือบเป็นอมพาตทั้งตัวเลยเสร็จแล้วก็ประคัมขั้น ครั้งที่สามเสร็จแล้วนี่กษัตริย์แย่มก็ตายอ่ะเสร็จแล้วก็ขอทูอานางขอทูอานายาลอ่ะอย่าให้อย่าให้ตายเลยอลัลลอฮ์ก็แก้ปัญหาให้ไม่ให้ตายเสร็จแล้วกษัตริย์ก็ยอมจำนนว่าเธอนี่ยมันจะคนธรรมดานะเป็นคนที่คนที่ประเสริฐที่สุดในโลกใบนี้ฉะนั้นก็มอบคนชายผู้หญิงชื่อนางฮาราจเนี่ยมาเป็นคนดูแลนางคนนี้ต่อไป น้องน่าสังเกตนะอุลมะอธิบายครั้ว่ากอดละมือเป็นอมพะฏกอดผู้หญิงไม่ได้ต้องการจะบอกว่าเรื่องนี้ใครที่ไปกอดผู้หญิงใครที่ไปกอดผู้หญิงที่ไม่ใช่ภรรยาของเราตามหลักแล้วมันต้องเป็นอมภุดแต่ใครที่กอดแล้วไม่เป็นอมภุดวันนี้ต้องเป็นอมภุดในโลกอาคิ ถ้าไม่ตาบ้าตัวต่วตออัลลอฮฺสุบฮานาะบูวะจัดลาท่านหนุ่ม ส, สาวทั้งหลายอ่ะที่ไปกอดกันอะไรกันหรือผู้หญิงด้วยกอดผู้ชายหรือผู้ชายกอดผู้หญิงตามหลักแล้วก็ต้องเป็นอัลมาพืชไม่ข้างหนึ่งก็สองข้างอะ่ะนี่เอาไปสอนลูกด้วยนะสอนลูกเราที่บ้านนี่นะทานอัลลอฮฺไม่ให้ลูกเราเป็นอัลมาพืชพอไปทําจิน่าเนี่ยเรื่องกอดอย่างเดียวนะ ดันคนที like. e ่ไม่เป็นอมภพฤธวันนี้ตรงนี้พระคาร์นีอยู่กับเบหุรรดุเบหามีวันมาลาเอกตุตมิงถีเพราะทีอัลลอฮจะให้เป็นอมภพฤธในวันไหนในวันเทียงมัถ้าเขาไม่เตาบ้าตัวต่ออัลลอฮ์ต่อตายถ้าเตาบ้าหมดอิชอาอัลลอฮ์หมดนะถ้าไม่เตาบ้าเดินเป็นอมภพฤธไปขึ้นตัวนะโอ้นี่ทูสายบนดุนยาเนี่ยอร่อยแน่ๆเลยเนี่ยดูสิดูมันทำเลยเดินขึ้น มันมีสองอย่างนะคนที่เป็นอมตะพึ้นตัวมีเมียหลายคนมีภรรยาหลายคนแล้วไม่ให้ความเป็นธรรมกับภรรยาเป็นอมตะพึ้นตัวเป็นอมตะแค่มืออย่างเดียวแสดงว่ากอดผู้หญิงไว้ยเยอะบนโลกดุญยาแล้วตายโดยไม่ตบ้าตัวต่ออัลลอฮ์สุบฮานะอสิ oh. ่งข้อเตือนใจที่ดีนะครับเอาต่อมานะครับตัวนงว่านาบีอิบราฮมพูดโกหกสา 6, ครั้งนี่นะอุลลามะ ส่วนใหญ่นะไม่อยากจะให้พูดว่าพูดโกหกเพราะว่ามารยาทของบรรดา น, นับดีเนี่ยเขาไม่พูดโกหกกันมารยาทนับดีไม่ทำํำบาสมารยาทนับดีไม่ทําอะไรผิดคําสั่งของอัลลอฮฺแต่โกหกสามครั้งดีนะโกหกเพื่ออัลลอฮฺกับโกหกเพื่อปกป้องภรยาไม่ให้ถูกกูยิ่มปูยยำโดยกษัตริย์แต่ไม่จะทำเ พ, เพื่อตนเองนะทําเพื่อใครนะ เพื่อปกป้องทําเพื่ออัลลอฮ์โกหกว่าฉันป่วยไม่สามารถออกไปทํางานได้เราไปทําลายรูปปั้นนี่เขาเรียกว่าโกหกเพื่อใครนะเพื่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวัดอลาอนุญาตให้ทำได้นะครับตัวลงนบีิบรฮิมโกหกสามครั้งบรรดามุลลามะไม่อยากให้เราพูดว่นานบีจะพูดโกหกทตนี้สําหรับพวกเราวันนี้นะ <c oughs> การโกหกได้มีอยู่สามครั้งเหมือนกัน หนึ่งก็โคมภรรยาได้เช่นภรรยาบัวที่ขอทองขอซื้อทองเนี่ยสั้นทองมาเดซายแล้วนี่ถามว่าฉลองเดือนหน้าก็ตั้งไม่มีอ่ะทองจะเรียกมันจะมืนม่นจะมืเท่าไรนะมันจะบาทละสองหมื่นกว่าเยอะมั้ยเยอะ พูดไปก่อนอินชาอัลลอฮฺเดือนหน้าเดี๋ยวพี่จะซื้อให้เงินเดือนแล้วมือแปดทองสองหมื่นซื้อได้ยังไงอ่ะรับปากไปก่อนอินชาอัลลอฮฺเดือนหน้าเดี๋ยวพี่จะซื้อทองให้ให้เธอใสอัลลอฮฺซื้อถสื้อสลึงก็ยังดีซื้อไปก่อนใช่ไหมสัญญาว่าซื้อให้บาทหนึ่งจะซื้อจริงเท่าไหร่สลึงหนึ่งเอาไปใส่ไปก่อนสัญญาว่าหนึ่งบาทแต่ให้สลึงหนึ่งบาทไหมไม่บาทเพราะนบีบอกว่า โกหกภรยาเพื่อให้ภรยาดีใจสบายใจบาปไหมไม่บาปอีกข้อที่หนึ่งนะเนี่ยผู้ชายดีใจไปหมดเลยคำจนเลยแล้วโกหกภรยาได้นะได้เป็บางเรื่องไม่ใช่ทุเรื่องนะข้อที่สองโกหกศัตรูสามโกหกให้คนที่ทะเลาะกันดีกัน อ, อ๋อเนี่ยสมเรื่องนี้นะเป็นการโกหกที่ได้ผลลบุญ ต, ตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลา นะครับมีอยู่สามรายการนะแบบนาดีอิบราฮิมก็มีอยู่สามรายการเหมือนกันครครับอต่อมาครับ <c oughs> อยายที่อัลล์เียีอิบราฮมเรืเยอะพี่น้องอาเล่าแค่นี้ก่อนนะอต่อมาครับ <c oughs> อยายที่ห้าสิบสองอกลีอบีฮวะามิฮี ما ه ذ ه ا ل ت ما ث ي ل ا ل تي أنتم لا ه أكفون إ ذ قال لأبيه وقومه ما ه ذ ه ا ل ت ما ث ي ل ا ل تي أنتم لا ه أكفون อัลลอลลอฮอบาร์ล่าม oh ดุลลอฮ์เรื่องนบีอิบราฮีมยังไม่จบอัลลอฮ์เล่าในรอนนะครับบอกว่าอิกกลาลอาบีฮิจงรำลึกถึงครัวัยอิ่เนี่ยว่าให้นึกให้นึกถึงนึกถึงอดีตที่ผ่านมานะกาลาลิอาบีฮิเมื่ออิบราฮิมกล่าว กับใครนะกับบิดาของเขานี่ใครสอนใครนะ ล, นลูกสอนพ่อผิดไหมลูกสอนพ่อผิดไหมไม่ผิดตามธรรมดาเนี่ยพ่อจะสอนลูกเพราะอัลลอฮฺสั่งให้พ่อสอนลูกใช่ไหมตั้งแต่อายุ ก, กี่ขรัขวเจ็ดครัวเจ็ดสุนนนบีสมัยเราเนี่ยนะให้พ่อสอนลูกตั้งแต่อายุเจ็ดครัวให้ฝึกนมาให้ทำํนทำนู่นทํานี่ ให้เข่าของ น, าน้าตามโซนน่านาบีให้อาม น, าน้ำอาบานาให้แป้งฟลนให้ใส่เสื้อผ้าเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ต้องสอนลูกกับเด็กอายุเจ็ดขวบแต่ตรงกันข้ามอิบราฮีมเป็นลูกสอนใครสอนพ่อโอ้จะทำดูแลยิ่งใหญ่มากนั่นลูกสอนพ่อผิดไหมในผิดครับแต่การสอนพ่อนั้นต้องมารยาทแบบพ่อสอนลูกก็ด้วยมารยาท อย่าตะวันลูกยาดาลูกอย่าไม้มาวางว่าอย่า อ, าา ย, าาา อ, อย่าอ ย, าอ ย, าอยาต้องหวังรางวาัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ต้องนึกเลยฉันสอนลูกของฉันวันนี้เพื่อหวังรางวาัลตอบแทนจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาอัลอาถีนี้นบีอิบรอฮีมเนี่ยสอนพ่อพ่อของอิบรอฮีมชื่ออะไรรู้ไหมชื่อนายอาจัดชื่อนายอาจัดชื่ออาจัด <c oughs> ไม่จะสอนพ่อคนเดียวนะว่ัเเ้ามีฮีแล้วก็กลุ่มชนของเขาด้วยพี่น้องของเขาด้วยโอเล้วอิบราฮิมนี่ฉลาดเนดะ็กเล็กใช่ไหมพร อ, อัลลอ์รับรองเอาไวนะ้ไงสอนพ่อแล้วก็สอนพวกอโ อ, อะอนะักบนะยิ่งใหญ่มากนะครับฉะนั้นมารยาทในการสอนคนเนี่ยเขาต้องดูอ่า อย่าลืมนะก่อนที่จะไปทํางานาศาสนาแต่ละครั้งนี่นะยุคเรานี้ต้องมีน้าน้ำหมาดเก็บเอาไว้จะออกจากบ้านเนี่ยตั้งใจจะไปบ้านบ้านพ่อวันนี้เพราะว่าบ้านพ่อเนี่ยชอบทําบุญสามวันชอบทําบุญเจ็ดวันชอบทําบุญสี่สิวันเราแยกครัวมาแล้วน่ะ จะรู้ข่าวว่าลอคนนั้นน่ะมีญาติตายที่บ้านพ่อนําเองเล ย, ยางานนี้ทีนี้เราต้องการจะเหนียดไปอบรมไปเตือนพ่อพ่อพ อ, อยาทําเลยมันจะสุนัข น, นาบีวิธีไ ป, ไปไปงานนั้นหนึ่งแต่งตัวให้สะอาดแต่งฟันให้เรียบร้อยอาบน้นําน้ำมาน้ำมาสุนัขก่อนกลับมาเราอาทยาลอ้ฉันจะไปคุยกับคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่รู้ดีมันดีถูกด่ากลับมา ก, ก็ได้ไม่แน่ ต้องไปโดยมารยาทอย่างงดงามปฏิกับอิอัศรามีฮัดยู ฮ, ฮัติยาขคุองของฝากไปให้หมดเลยนะนี่เป็นมารยาทในการไปเยี่ยมเยียนคนต้องการที่จะไปอธิบายไปไปเตือนให้ข้อคิดอันทีนี้น บ, บีอิบราฮิมไปสอนว่างไงครับมาฮาดิฮิตตามาซีลตามาซีลแปลว่ารูปปัน้น แตามาซ่งแปลว่ารูปปั้นรูปรูปรูปเจเวตนะครับ อ, อัลลัติอันตุมลาฮาอาคิฟูนรูปปั้นทั้งหลายถามว่านี่รูปปั้นทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยซึ่งพวกท่านยึดบูชามันเนี่ยบูชาทำไมอคุณไปยึดบูชามันทำไมนะครับ นี่เป็นการเตือนเป็นการสอนนะครับท่านน่ะคุณพ่อเนี่ยทำบุญสามวันทําไมทําบุญเจ็ดวันทําไมทําบุญสี่สิวันทําไมก็ถามพ่อเดี๋ยวพ่อก็จะตอบเองละ่ะแต่ส่วนใหญ่นะคำตอบเหมือนเหมือนกันคําตอบเหมือนเหมือนกันหมดละ่ะในกัมภีกลุ่นอ่านอธิบายไว้นะเวลาถามปัญหาเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องเรื่องอะคีด้านเนี่ย ส่วนใหญ่จะตอบไข้ไข้กันนะครับคำตอบอยู่แล้วกระพีกรอ่านอยู่แล้วนะครับคำตอบมีอยู่แ ล, แล้วก um, re ระพีกรอ่านจะบอกว่าอย่างงี้กอลูวะจดนาอาบะอาณาลาอาบีดีนคำตอบก็คือพวกเขากล่าว <c oughs> ว่าเราได้พบบรรพ่าบุรุษอนนี่เป็นคำตอบ แต่ยุคแรกๆมาถึงยุคปัจจุบันนี้เป็นคำตอบเดียวกันนะตอบอย่างอื่นตอบไม่ได้มันไม่มันไม่สะใจตอบนี่แหละคำตอบแบบนี้เป็นคำตอบเหมือนกันหมดเลยนะตอบว่าไงนะเราได้พบบัรพระบุรุษเราได้พบปู่ย่าตายายเราได้พบพ่อเราแช่เราโตเราทำมาอย่างนี้แล้วเราก็ปฏิบัติตามปู่ย่าตายาย บรรพบุรุษที่ทำมาตั้งแต่สมัยก่อนๆถามว่าคาตอบแบบนี้เป็นคำตอบที่ที่ที่เป็นเป็นหลักฐานได้ไหมไม่ได้คาตอบอ้างบรรพบุรุษเป็นหลักฐานที่อ้างได้ไหมไม่ได้เอาลอรับไ้ยไม่รับที่สอนเรานะสอนเรา อิดกล่าวเลืออาบิห์และก م าวมิห์มาฮาดิِิตต์มาซิลุลละติอันตุมลาฮะกิฟุนเฉพาะมาฮาดิฮตมาซิลเนแปลว่ารูปปันทั้งหลายอะไรกันนี่อลตอันตุมลาฮะกิฟุน ที่ท่านทั้งหลายเนี่ยเฝ้าบูชามันอาคิดแต่แบบว่าเฝ้าบูชาคุณอ่านอาย่านี้เนี่ยไซดีนาอาลีนำเอาไปใช้ไซดีนาอัลีเนี่ยนำเอาอาย่านี้ไปใช้ตามาซินแปลว่ารูปปัน้นไซนาอาลีนำเอาไปใช้ในววระอื่นววลาไหนรู้ไหมเวลาท่านเดินไปที่ตลาด ไปตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยจะเจอญาติพี่น้องเนี่ยเขาตั้งเป็นกลุ่มๆกลุ่มเล็กๆเนี่ยเล่นมารุกเห็นญาติพี่น้องเนี่ยหลายๆกลุ่มตามเดินตามบ้านเนี่ยไปเจอนั่งเล่นมารุกกันอน่ะมับรรดาเราียกหมาฮอตใช่ไหมหมาฮอดด้วยมารุกด้วยเนี่ยสมัยนบีสมัยสุฮาบานาบีก็ยังมีเรื่องอย่าวนี้อยู่นะ ไม่ใช่บรรเลาอย่างเดียวนะบนรรเลาเดี๋ยวนี้มันก็เบาลงเยอะนะแต่ตามทองทองยังมีอยู่เยอะนะนั่งในร้านกาแฟแล้วก็เล่นมารุกกันกินกาแฟถ้วยหนึ่งนั่งห้าหกชั่วโมงใช่ไหม <c oughs> นะมีไซนาอาลีเดินไปไปเห็นก็ใช้คำนี้แหละเหมือนนบีอิบรอฮีมพูดเห็นญาติพี่น้องกราบบูชารูปเจวต กราบรูปปั้นท่านพูดว่าไงนะมาฮาจิฮิตามาซีนอัลลอฮีอันตุมลาฮะอาคีฟุนพวกคุณเนี่ยไปเคารพรูปปั้นทําไมไซนาอัลีไซนาอัลีเป็นการเดินไปตามหมู่บ้านไปเห็นญาติพี่น้องกําลังนั่งเล่นมักรุกอยู่ท่านก็ใช้คํานี้เหป็นกันมาฮาจิฮิตามาซีนอัลลอฮีอันตุมลาฮะอาคิฟุนพวกท่านเนี่ย ไปเคารพ บ, บูชารูปรูปเจเวททำไมใช่ไหมมองการเล่นมักรุกเล่นหมักอสเป็นการทำบาปเหมือนกับทำชริกาบรูปปั้นที่วัดเหมือนกันนั่นใครไซดีนาอาลัลีเป็นสหบะติฉะนั้นเราตามสหาบาัตนนบีได้ไหมได้มีสหา บ, าบัตนนบีอธิบายนะคนที่เล่นหมักรุก อ่าดูตัวมักรุกเด๋อไม่มีอะไรนะมีมา้าเรามีอะไรอีกมีขุนเรามีอะไรอีกเต็ไมไปหมดเลยใช่ไหมคุณไปบูชามันหรือเปล่าซึ่งคุณจะไม่ได้กลกาบมันตรงๆจะเอาเวลานะ่ยเสียเวลากับการเล่นมารุกมารคอททำไม่เห็นไหมเพื่น้องนบีบอกว่าให้ยึดสุนนะของฉันทางหาจากฉันไม่เจอให้เอาซอฮาบ้านนบีนี่ซอฮาบ้านนบีอธิบายเองแต่ท่าน พี่น้องมุสลิมที่เป็นผู้ศรัทธาเรียนเรียนสุนนะนะบีเนี่ยไม่ควรที่จะไปนั่งที่ร้านกาแฟนั่งร้านกาแฟน่ะพูดเรืองศาสนาดีไหมดีไปกินน้ําชาได้ไหมได้เพราะที่บ้านทำน้ําชาไม่อร่อยสักที่ร้านโอ้โหทําเก่งน่าดูเลยพญาทำอาหารทําน้ําชาไม่อร่อยไปนั่งที่ร้านได้ไหมได้แต่เนียดเพื่อาศาสนาแต่ไม่ใช่เนียดเพื่อไปเล่นทานเล่นปั๊บเนี่ย เป็นการปฏิบัติตามพ่อของนบีอิบราฮิมที่ไปบูชารูปเจเวตเขามองว่าโทษเท่ากันและบาปเท่ากันด้วยคือน้องเห็นอย่างครับใครมองนะไซดีนาอาลีไซนาอาลีเป็นใครเป็นลูกเขยท่านนาบีแต่งงานกับลูกสาวท่านนาบีชื่อฟาติมา ล, ลาเดียลอวานดามองการเล่นมังคอดบาปเท่ากับไกาเคารพ บ, บูชารูปรูปตั้นเหมือนกันัมดูเลยเลยนี่อิมานเราเพิ่มไหม เพิ่มลถของฮารามในหมู่บ้านได้ไหมได้ครับ <c oughs> เอาต่อมาครับ <c oughs> อุลามะอธิบายอย่างนี้อีกครับ <c oughs> <c oughs> คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยจะต้องรู้เรื่องบิดอยากระซุนนะคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยต้องเข้าใจเรื่องบิดยากระซุนนะด้วย อาไรเป็นซุนนะอะไรเป็นปิยะต้องรู้แล้วก็อะไรเป็นเตาเฮต์อะไรเป็นเป็นเป็นชิริกต้องรู้ต้องเรียนให้ได้ชิริกคืออะไรแล้วก็เตาเฮต์คืออะไรแต่การไปหาโตโตตะเกียร์นะเป็นเป็นเตาเฮต์หรือเป็นเป็นชิริกต้องรู้โอ้ไอ้นี่ชิริกไปหาโตระยองเป็นชิริกเอาตะกุดมาแขวนไว้ที่มือเป็นชิริก มาไว้ที่คอเป็นชีริกเอาอาซิมัดมาแขวนไว้ที่หัวเสาเป็นชีริกต้องต้องรู้ฉะนั้นไซนาอาลีเนี่ยเตือนพวกเราทั้งหลายแม้แต่นั่งตามราา้านกาแฟเล่นหมกักรุกเขามองว่าเราเนี่ยไม่ต่างอะไรกับคนกาเฟ่ที่ไปบูชารูปเจเวทเหมือนกันเห็นไหมใครมองสุฮ า, าบบะฮ์นบีมอนะครับเอาต่อมาอายาที่ห้าสิบสาม ก้ลูวาจดนาอาบ า, านาละาอาบิดีนพรนบีอิบราฮีมเตือนพ่อเราเตือนญาติพี่น้องว่าคุณไปครพบ ร, รูปจเวตรูปปั้นทำไมเอามาดูพ่อตอบญาติพี่น้องตอบตอบว่างไงนะก้ลูวาจดนาะพวกเขากล่าวว่า เราได้พบว่าญาณนาแปลว่าเราได้พบเราได้เห็นอาบอาอนาบรนพระบุรุษของเราอาบะแปลว่าพ่อพ่อโตโะตแะชะ่แช่ของเราเราได้พบพ่อพ่อของเราโตโะตะของเราแช่แช่ของเราทํามมาพูดภาษาดีหน่อยก็เราพบเห็นบันพระบุรุษของเรา ละฮาอาบับดีนเป็นผู้สักการะบูชามันพอเกิดมาก็เห็นพ่อทมเกิดมาก็เห็นแชร์ธรมนี่เป็นหลักฐานของกลุ่มที่ยึดของที่ตรงกันข้ามกับคำสอนของนบีวันนี้โตเราแชร์เรายังพูดแบบนี้ใช่ไหมโตครูก็พูด่ะ ผมได้ยินนะพูดนะกลุ่มที่แอนติซุนนาเนี่ยพูดว่าเราทิ้งปุยญาตายายไม่ได้นะเดี๋ยวปุยญาตายายจะตกนรกท่า น, นเราต้องรักษาประเพณีปฏิบัติเอาไว้พี่น้องรักษาประเพณีปฏิบัติถ้ามันตรงกับอิสลามตรงกับซุนนาหนบีทาได้เลยอ่ะแต่ถ้าหากว่าประเพณีปฏิบัติที่มันผิดกับหลักของซุนนาและฮะดีสแล้วก็ปฏิบัติไม่ได้ กูอานอาย่านี่เพราะฉะนั้นอาย่านี้เป็นข้ออ้างของคนที่แอนตี้เตาเฮต์นะครับแอนตี้เตาเฮต์จะอ้างอาย่านี้ถ้าอาย่านี้การอ้างอาย่านี้เป็นการอ้างที่อัลลอฮ์พอใจนะอัลลอฮ์จะไม่เล่าหนังกระเรากูอ่านหรอกฉันไม่พอใจนะอ้างคํานี้นะใช้ไม่ได้อ่าต่นี้อุลามะอีกกลุ่มหนึ่งผมอ่านเป็นภาษาอุรดูเนี่ยเขาบอกว่า คนที่ยึดยึดมาสฮับยึดมาสฮับสุนานะยาบีกับมาสฮับเนี่ยต้องยึดอันไหนนะต้องยึดสุนนะนะยึดมาสฮับไม่ได้ยกยกตัวอย่าง <c oughs> ให้ยึดมาสฮับได้อ่ะใยึดได้ตอนนี้ท่านพี่น้อง เดินทางไปต่างจังหวัดไปถึงนู่นตอนทุ่มหนึ่งหรือสองทุ่มยังไม่ได้นามาตมากริบยังไม่ได้นามาติชาพอไปถึงโรงแรมเอเจะนมาตยังไงาถามบอยบอยก็ไม่รู้ทิศตะวันตกอยู่ไหนมันไม่รู้ผมเคยถามแล้วไม่รู้แล้วจุกทักษมันก็ต้องคิดเองใช่ไหม ตะฮรออ๋อทุงสายจะเป็นทิศนี้มากกว่ามึงทิศ ต, ตะวันตกเรานามาสองเวลามักริฟนิชาโดยหาทิศเองสูโบเอกอ่ะสามเวลาพอนามาจบแล้วประมาณเจดโมงตะวันขึ้นเพิ่งรู้หนามาผิดนามาของเราใช้ได้ไหมได้เพราะนาบีสยให้คิดเองทำเองอะไรเองหมดเลยใช่ไหม นำมาดใช้ได้แต่ถ้าหากว่าเราไปนำมาดเหมือนเดิมอีกได้ไหมได้หรือไม่ได้ไม่ได้ไมไดนมาดทิศเมื่อคืนนี่แหละแต่รู้ว่าผิดมารู้ว่าตอนเช้าว่ามันผิดนำมาดทิศเดิมได้ไหมไม่ได้ต้องเปลี่ยนทิศใหม่เพราะเราเห็นแล้วเนี่ยเหมือนกันท่านพี่น้องหลายคนนะครับ อาบน้นํำนมาสเช็ดศีรษะสามครั้งมาตลอดเลยพื่น้องแล้วต่อมามารู้ทีหลังว่าท่านนบีสอนอย่างนี้อาบน้ำนามาสตามสุนนะนบีเนี่ยต้องเช็ดศีรษะสามหนึ่งครั้งเนี่ยเมื่อมารู้แล้วเนี่ยอนุญาตให้ทำสามไ ด, ได้ไหมได้หรือไม่ได้ไม่ได้เมื่อก่อนไม่รู้ไงแบบนามาสอยู่ในโรงแรมเนี่ย นมาสามเวลาน่ะผิดกีบหลัดหมดเลยพอเราไม่รู้ถ้าไม่รู้อลัลลอฮ์พอใจไหมพอใจทําไปเลยพอเจ็ดโมงเพิ่งรู้ว่านมาผิดต้องกระดอไหมไมาต้องกระดอใช่เหมือนกับท่านพี่น้องเมื่อสมัยก่อนสมัยหนึ่งเนี่ยอาบน้ํานมาตามยี่มามชาฟอางนีมาตลอดเลยเช็ดศีรษะสามครั้งปั๊บปั บ, ป บ, ป บ, ปบพอมารู้ฮะดิสลลอฮ์เพิ่งรู้อ่านาบีเขาเช็ดข้างเดียวเนี่ย จะเช็ดสามครั้งได้ยังไมไม่ได้แล้วเหมือนนามาตที่โรงแรมแแนั่นแหละนามาตก็ให้ก็ให้ทำมาสามสามครั้งมาแล้วพอเห็นตะวัตะวันมันขึ้นทิศนี้ชี้แจงเช็ดจะจะทำแบบเดินไม่ได้นี่ก็เหมือนกันครับพี่น้องยึดมาสหับยึดทัศนะของอุลุษม้าติดงัดอยู่ตรงนี้เลยทัน ท, ที่รู้ว่าน บ, บีสอนอย่างนี้ฉันไม่เอาน บ, บีจะเอามาสหับคํำนี้ก็เหมือนกันครับ ก้าลุว aja ดนาอาบานาลาบิดีนพวกเขากล่าวว่าเราได้พบบรรพระบุรุษของเราเป็นผู้สักการะบูชามันเราก็เลยบูชาตามปูญาตายาเหมือนกันอาบน้ำนา ม, มาด ก, ก็เหมือนกันเคยปฏิบัติมาอย่างนี้ปูญาตายาสอนมาวันนี้เรามารู้ว่าของจริงเป็นอย่างนี้ต้องทิ้ง ของเก่าและมาทําตามสูตรนะแนวดีเข้าใจนะทำโดยเรียนเรียน้องต่างๆนี่คาารับอ่านกุณอ่านต้องได้ข้อคิดครับกุณอ่านต้องให้ความรู้กับเรานะครับทำโดยเรียหเรียนน้องต่าต่อมาครับบกลงว่าอิบนุกซีรอธิบายอย่างนี้อ้างบรรพระบุรุษนี่อิหม่ามอิบนุกซีรนะอธิบายตำสีกุณอานนะนี่หนังสือเล่มนี้เนี่ย อิสลากะเซตเนี่ยอธิบายว่งัยนะลำยักุลละหุมฮุดจะจะเอาบรรพบุรุษมาอ้างเป็นหลักฐานเพื่อลบล้างอัลกุรอานสุนนะนบีไม่ได้จะเอาปุย่าตายหญอ้างปุย่าตายหญฉันเห็นปุย่าตายหญ่ทำมาอย่างงี้แหละอัลลอฮ์ทำมาสอนอย่างนี้ทิ้งอัลลอฮ์เอาปุย่าตายหญไม่ได้ ฉะนั้นต้องทิ้งใครนะต้องทิ้งบุญญาตายายทิ้งบรรพบุรุษแล้วก็มายึดเอาสุนทรคของท่านนาบีแทนนะครับเหมือนกันนะมาหาเกิบลัดไม่เจออยู่สามเวลานี่ยแล้วพอมารู้ว่าเอานามาทิศจะนามาแบบเดิมอีกได้ไหมไม่ได้ต้องเปลี่ยนเกียรติหลัดใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับห้มดูเลยเอาต่อมาอายะที่ห้าสิบสี่ ข้ละแล้วข้อเด็กุนตุมอันตุมว่าบาอุคุมฟีบละลิมมูบินข้อละแล้วข้อเด็กุนตุมอันตุมว่าบาอุคุมฟีบละลิมมูบินอัลฮ م มดุลลลาฮฺพี่น้องตรงนี้ได้ความรู้เยอะ ต้องการจะบอกว่าที่พ่อทำที่บรรพบุรุษทำมลงทางทั้งหมดไม่ว่ายุคไหนจะยุคไหนลงทางทั้งหมดปฏิบัติตามไม่ได้เลยไหมงงแง่งของอะกิดะนะเรื่องของอะกิดะนี่ตามผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ได้ตามโตะ๊ะโต๊ะแชรแชร่ประเภทนี้ปฏิบัติชาวบ้านไม่ได้เลย เรื่องศาสนาต้องทําตามใครตา ม, า ม, าม ir, ทำตามนบี uran, ทําตามกุรานทําตามอัลลอฮ์ทำตามชาวบ้านไม่ได้อลัลลอฮ์พื่น้องมาก่อเนี่ยที่คองเทนเนี่ยมีศารพภูมิน่ะ <laughs> ใช่มีศารพ่อภูมิอ่ะแล้วย่อผมมาควา้าเนี่ยกลับมาจากมักกะเนี่ยกว่าจะเอาสารพ่อภูมิออกได้ไ ห, หลายปี <laughs> อันอกคดีได้ ไม่มีคนมาสอนทั้งๆแต่เอาสารพระภูมิออกอถูกด่าว่าเป็นวาฮาบีเอาสารพระภูมิออกแบบเป็นคณะใหม่เป็นวาฮาบีเียงพวกนู้นพวกนี้ถูกโจมตีพี่นอ้องอัลฮัมดุลิลละอดทนอดทนอดทนอดทนเดี๋ยวนี้อัลฮัมดุลิลละเด็กรุ่นใหม่เกิดมาไม่มีรูปสารพระภูมิแล้วอยู่แต่แถว น, นี้เแถวๆข้างๆนี่แหละข้างกูโบนี่แหละ สารประภูมินี่คุณพ่อวเล่าให้ฟังนะโอ้ oh, oh, อร่อยจริงจริงแล้วก็ <c oughs> ทำบุญกลางนาโอ้ย oh. คุณพ่อเล่าบอกว่าบอกว่าเขาเชิญมาเชิญคุณพ่อไปกินบุญกลางนาะไม่ไปได้แม่นั่งเจ็บก้นเพราะว่าใช้เสือหัวระแหง มันแข็งมันมันอะไรมันมันมันมันหลมันนะนั่งในบ้านไม่ดีกว่าหรือมันต้องเจ็บก้นต้ อ, อธิบายกันจดกระทั่งเออย อ, อนั่งในบ้านดีกว่าเออรอจะขอจะเออรอเห็นหมดบันทึหวงนล้ว น, นะขบุญกลางนาะแปบพุทธเลยเออรอกว่าจะเลิกได้เอออแล้วก็หัวสาวกกันเลยที่บ้านนี่มีผ้าเขียวผ้าแดงที่หัวจัวเลยนะ กว่าจะเลิกได้อัลลอ์สิบปียี่สิบปีต่เงี้เป็นตน้นนี่ง่าพี่น้องถ้าหาว่าประเพณีปฏิบัติอัลลอฮ์พอใจนะผ้าเขียวผ้าแดงต้องไม่เลิกต้องรักษาเอาไว้เพราะอัลลอฮ์สัง่งนะตอนี้อัลลอฮ์ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทำอะไรบินอานี่นะทิ้งให้หมดอย่าไปเชื่ออ่ ะ, อะดูคาแปร์ครับกอลากาดกุนตุมอันตุมอิบราฮิม กล่าวว่าโดยแน่นอนยิ่งพวกท่านกุณตุ่มอันตุ่มพูดสองครั้งนะตุ่มตุ่มสองครั้งเนี่ยพวกท่านพวกท่านานี่ป็นการจะเน้นมาประเพณีปฏิบัติที่ท่านทำและที่ท่านทำเนี่ยเป็นยังไงอบอฮูกรมและบันพบุรุษของท่านท่านท่านสองครั้ง บันพ่บรุษอีกครั้งหนึ่งการเป็นสามใช่ไหมที่เน้นนะคุณคุณพวกท่านพวกท่านรวมไปถึงบันพ่บรุษของท่านฟีบอลาลิมมูบินอยู่ในการหลงผิดฟีบอลาลิมมูบินอยู่ในความหลงผิดอยู่ในการหลงผิด ฉะนั้นการตามปู่ญาติยายนั้นผิษไม่ใช่ถูกพิษใครพูดนะนบีอิบราฮีมละอัลลอฮ์พอใจคําพูดอันนี้เลยมาเล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังให้พวกเราฟังวันนี้ฉะนั้นการตามปู่ญาติยายผิดครับเกือบทุกเรื่องผิดหมดเลยนะไม่มีเรื่องไหนเลยที่มันที่ปู่ญาติยายทําแล้วอัลลอฮ์พอใจนะไม่มีนะไม่มีเลยครับ ถ้าจะอ้างปูญาตายายอ้างดูเรื่องเดียวนี่คุณอ่านนะครับถ้าจะอ้างปูญาตายายไม่ใช่อ้างตัวย่อเรานะไม่ใช่อ้างแชร์เรานะให้อ้างใครนบีอิบรอฮีมเพราะนบีอิบราฮีมนั้นเป็นปู่เป็บรรพระบุรุษที่นำเอาเตาเฮต์มาสอนอ้างไปเลยกี่พีครับของนบีอิบราฮีมนะ่ะมีอยู่คนเดียวนะ อ้างนบีอิบราฮิมเนี่ยที่นำเอาเตาเทศมาสอนอ้างได้คนเดียวนอกนั้นอ้างไม่ได้เลยครับอ้างโต๊ะเราได้ไหมไม่ได้อ้างแชร์ได้ไหมไม่ได้อ้างใครไม่ได้ทั้งนั้นพี่น้องเพราะอัลลอฮ์ไม่พอใจแต่ถ้าจะอ้างผู้ญาติยายอาจดาดานาหมาถึงนบีอิบราฮิมที่ทําอักีกอไม่ใช่ไหมเนี่ยทำกุฎบานใช่ไหมน่ะทำกุฎบานสร้างใบตุนลนรอ เชือ้อตัวเองน บ, บีอิสมาอินนั่นนะปู่ย่าตายายเราทำเอาไว้ซาฟามาหรือวะที่นางฮะจัดวิ่งหานั่นอ้างได้เลยฉะนั้นถ้าจะอ้างปู่ย่าตายายอ้างแต่คนเดียวน บ, บีอิบรอฮิมอิสมาอินนังฮะจัตคนอื่นอ้างไม่ได้ฉะนั้นปู่ย่าตายายของมุสลิมมีไหมมีแต่ต้องอ้างแบบน บ, บีอิบราฮีมอ้างผ่าน น บ, บีมัดเล่าให้ฟังอ้างน บ, บีอิบรอฮิมนู่นเลยอย่าไปอ้างแบบคนกาเฟตคนกาเฟตอ้างเฉพาะตรงนี้แต่ปู่ย่าตายายแชร์กันนั่นเองแต่ของเราเขาว่าปู่ย่าตายาบาจึงนู่นน่ะมองไกลไปถึงน บ, บีอิบรอฮิมมา拉ิสซาลามพี่น้องอ้างเหมือนกันน่ะขอยกตัวอย่างนะศพศพของคนกาเฟตที่ตายแล้วไม่เนา่ามีไหมมี ศพมุสลิมที่ตายแล้วไม่เน่ามีไหมมีแล้วมันแตกต่างกันตรงไหนอุลมามะหลายคนก็นไปเขาไปขุดศพเองนะเขาเล่าบอกว่าศพมุสลิมที่ไม่เน่านะจะเป็นกี่ปีก็ตามนะศพหอมแต่ศพของไม่ใช่มุสลิมนะถ้าเอาไว้นานๆไม่เน่านะลองเข้าใกล้ๆสิเหม็นนี่ไงข้อแตกต่าง ฉะนั้นบรรพระบุรุษก็เหมือนกันไม่ใช่อ้างแค่แค่สิปี20ปีนะคนกาเฟตอ้างแค่1ิปี20ปีเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นบรรพระบุรุษบุญาตายายทำมาแต่ของอิสลามเนี่ยต้อง3 0ม0พันปีต้องอ้างให้ลึกเลยอ้างถึงนบีอิบรอฮีมอ้างถึงอิสมาอีนอ้างถึงนางฮายัตที่วิ่งปู้เก่าสองสวซฟามารว่า ที่สร้างใบตุลลอก์ต้องอ้างคนเหล่านั้นเป็นบนรรพบรุษได้กลุ่มเดียวคนเดียวเท่านั้นเองเข้าใจนะพี่น้องอาจานอิสลามสอนอะไรวิชั่นไกลามากนะครับไม่ใช่แค่สั้นๆนะครับเอาไ น, น้องอ้างปู่ย่าตายายได้ไหมไม่ได้แต่วันนี้ยังอ้างอยู่ไหมยังอ้างอยู่ทำทำไมกดแชร์ฉันทำมาโตชันทำมา อ้างอย่างนี้อัลลอ์พอใจไหมไม่พอใจอ้างอย่างนี้เป็นการอ้างเหมือนคนกาเฟตอ้างแต่ด้านมุสลิมจะอ้างเหมือนคนกาเฟตไม่ได้นะครับเอาต่อมาโอ้โหยาสุดท้ายยาวไปหรือเปล่าเนี่ยอัลล์อักุบะตอลอครับเอาแค่นี้พอนะนะอัลลอฮมหบิหญ่ยยิ่งใอันต่อัตักฟุรกวะตบคสลามุอะลัยกุมมะ์มะตุลลอฮบะก